ชาวบ้านมีกีตาพระอระหันต์ข้ามไปมีสังคีติทีนี้ย้อนกลับไปหน่อยที่บอกว่าสวดใช้คำว่าขายนะกีตะกีตินั้นคนไทยอาจท้วงว่าเอนั่นมันเพลงนี่ก็ถูกคำบาลีของท่านที่ว่ากีตะกีติขายนะเนี่ยจะว่าเป็นคำที่เราแปลว่าสวดก็ได้ แปลว่าร้องเพลงหรือขับร้องก็ได้อย่าไปนึกว่าต้องแปลยอย่างใดอย่างหนึ่งนี่เป็นเรื่องที่ต้องทำความเข้าใจกันเล็กน้อยคือไทยเราเอาคาเหล่านี้มาใช้แต่ไม่ได้แยกแยกความหมายว่ามีขั้นตอนหรือเป็นระดับอย่างไรในภาษาบาลีนั้นเขาใช้คาเดียวกันแต่มีความหมายแยกออกไปในต่างระดับหมายความว่าการสวดนั้นก็คล้ายว่า หรือจัดได้ว่าเป็นการขับร้องชนิดหนึ่งเราอาจใช้คำว่าเป็นการว่าเป็นทํานองสวดก็เป็นการว่าเป็นทํานองขับร้องก็เป็นการว่าเป็นทํานองร้องเพลงก็เป็นการว่าเป็นทํานองแล้วมันต่างกันอย่างไรดูตรงนี้คือพระท่านมีวินัยกากับว่าพระจะว่าเป็นทํานองได้แค่นี้นะเกินนี้ไม่ได้ ผิดวินัยคือท่านเอื้อนมากนักไม่ได้เพราะมีวินัยกำกับไว้โดยมีพุทธบัญญัติห้ามตามเรื่องที่ว่าพระจัพภคีอายะตะเกณกิตาสเรณะธรร ม, มังคายันติสวดธรรมด้วยเสียงขับร้องที่เอื้อนยืดยาวชาวบ้านพากันติดเตือนว่าพวกพระสมณะสักยบุตรเหล่านี้สวดธรรมด้วยเสียงขับร้องที่เอื้อนยืดยาวเหมือนอย่างที่พวกเราร้องเพลงเมื่อพระพุทธเจ้าทรงทราบ จึงได้ทรงบัญญัติห้ามพระไม่ให้สวดอย่างนั้นมีคำอธิบายประกอบว่าการสวดด้วยเสียงขับร้องที่เอื้อนยืดยาวขึ้นลงหวบาห้าบนั้นทำให้อักขระผิดเพี้ยนเสียหายใจของตัวก็มัวไปเพลิดเพลินตามไปกับเสียงกล่อมตัวเองชื่นชมตัวเองไม่อยู่กับธรรมะที่ตัวสวดและก็เสียสมาธิ แต่พระพุทธเจ้าทรงอนุ ญ, ญาตให้สวดด้วยเสียงที่กลมกลม่อมพอดีให้ถ้อยคำอักขระชัดเจนครบบริบูรณ์ไม่เสียหายโดยทรงอนุ ญ, ญาตให้พระสวดสารพันยะคือใช้เสียงสื่อธรรมในวงเล็บอนุชานามิพิกเวสารพันยังจากพระวินัยปิฎกเล่มที่สองคำว่าสวดสารพันยะนี้ คำกิริยาที่ว่าสวดก็ใช้คำว่าพนะซึ่งแปลตรงๆ ต, ตามปกติก็คือกล่าวนั่นเองแต่เราพูดแบบไทยว่าสวดดังที่ได้เคยอธิบายแล้วข้างตน้นนี่คือพระสวดก็ว่าเป็นทำนองคล้ายอย่างจะร้องเพลงนั่นแหละแต่ทำได้แค่ในระดับหนึ่งอยู่ในทำนองและระดับเสียงตามที่วินัยกาหนดไว้หรือพูดเปลี่ยนไปอีกจำนวนหนึ่งว่าพระร้องได้แค่สวด แต่โยมสวดได้เต็มที่ตามที่อยากร้องจะเห็นว่าพระก็สวดเป็นทํานองซึ่งสอนให้โยมสวดด้วยก็ไพเราะเหมือนกันแต่ถ้าเกินจากนั้นไปเราไม่เรียกว่าสวดแต่เรียกว่าขับร้องกลายเป็นร้องเพลงไปเลยทีนี้โยมก็เข้าใจแล้วนะว่าในภาษาบาลีบางทีก็ใช้ศัพท์เดียวกันแต่ของพระ ก็ให้อยู่ในขอบเขตของพระวินัยส่วนของโยมก็มักจะว่ากันไปตามที่พอใจแล้วที่ว่าสังคยนาก็คือเมื่อท่านนำเอาพุทธพจน์ที่ได้เรียนรู้จำได้มาว่าให้กันฟังทบทวนตรวจทานกันให้แม่นมั่นจนตกลงกันได้ว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าอย่างนี้แล้วก็ลงมติว่าเอาละแล้วก็สวดพร้อมกันอย่างที่ได้ตกลงนั้น เพื่อจะได้จดจำกำหนดเป็นแบบไว้แล้วต่อไปก็จะได้สวดพร้อมกันเพื่อรักษาสืบต่อกันไปอย่างนั้นก็จะแม่นยำและคงอยู่ยั่งยืนก็จึงเรียกว่าสังคยานาแปลว่าสวดพร้อมกันเท่ากับลงมติแล้วว่าเอาอย่างนี้นะจึงได้สวดพร้อมกันตั้งวางเป็นแบบไว้ สังคยนาเป็นคำยุติที่หมายถึงว่าลงมติอย่างนี้นะนี่คือแบบแผนแล้วก็สำทับมตินั้นด้วยการสวดพร้อมกันก็คือยอมรับและ ว, ว่าเอาอย่างนี้นี่คือสังคยนาหรือว่าสังคีติก็คืออันเดียวกันก็เป็นอันว่าคยนาคีติจนถึงสังคยนาและสังคีติ คือการว่าเป็นทำนองไปจนถึงขับร้องร้องเพลงใครมีขอบเขตทำได้แค่ไหนก็ว่าไปแค่นั้นแค่นั้นสำหรับพระมีวินัยกํากับระดับเสียงและทำนองอย่างที่ว่าแล้วไม่ให้เป็นการร้องเพลงอย่างคฤหัดชาวบ้านและท่านก็จำกัดการใช้คําว่าคายณะขีตาขีติให้หมายถึงการร้องเพลงหรือขับร้องของชาวบ้าน ดังใจเห็นว่าในคำภีทั้งหลายไม่มีที่ไหนกล่าวถึงพระภิกษุว่าทมคายณะหรือคีตะหรือกีติซึ่งถือเป็นเรื่องในขอบเขตของชาวบ้านแต่พระข้ามไปมีสังคยนาหรือสังคีติซึ่งใช้ความหมายพิเศษอย่างที่ว่าแล้ว